การท่านสาธุชนท่านหลายการบรรยายพิสูจน์ในวันนี้เนื่องจากเป็นช่วงหลังวันมาคบูชาที่ในผ่านพิธีทำสักการะบูชากันมาแล้วก็น่าจะมาทำความศึกษาในเรื่อง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 ทีขณัคะอาคิเวชนะซึ่งเป็นหลานของพระสารีบุตรในมาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็สนทนาสอบถามลักษณะก า, ารพูดกระดีรือการสอบถามก็ดีก็มีแนวที่เรียกว่ากระทบพระพุทธเจ้ า, จาอยู่ในสุดพ ร, ระเจ้าก็ทรงแสดง ปสูตรที่เรียกว่าเวทนาปริกาสูตรหรือทีฆานกขสูตรจะเริ่มจากการกำราบความคิดทีฆานขะท่านกล่าวว่ากาแต่พระมหาสมมณะโคโดมข้าพเจ้ามีความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ชอบใจทั้งหมด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 พระตีขัานธะนั้นก็เป็นปริพาชกสารีบุตรเมื่อก่อนก็เป็นปริพาชกนะฮะเจรศักดิ์แล้วก็เป็นลุงของทีขัานธะและจากการที่เป็นลุงตีขัานธะนี่ทำให้เราเห็นว่าสารีบุตรนี่แก่กว่าพระพุทธเจ้าเพรขนาดว่าลุงเป็นนักบวชไอ้หลานเป็นนักบวชไปแล้วนะลุงก็แก่ไม่เบาเหมือน ก, กัน น, นะหรือแกต้องการว่าแกไม่ชอบพระพุทธเจ้าอ่ะนะ แต่จะบอกตรงๆก็ไม่ได้เก๋าเกิดใช้คำว่าทั้งปวงทั้งหมดขึ้นมาสิ่งทั้งปวงไม่ควรแกข่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ชอบใจทั้งหมดพูะเจ้าก็ย้อนเลยตีฆณาคาถ้าอย่างนั้นถ้าเธอมีความเห็นว่าอย่างนั้นก็แสดงว่าความแม้ความเห็นของเธอเองเธอก็ต้องไม่ชอบใจด้วย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 พวที่สามนั้นถือว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าชอบใจหมดอันนี้เอาหมดมุง่งยุ่งเหมือนกันนะเพราะจะใช้อารมณ์ตัวเองทั้งหมดคือนั้นลักษณะใช้อารมณ์ก็เป็นเหตุการณ์ที่จริงแล้วมันก็นาดแล้วนะแต่ท่านหลายลองสังเกตว่าความคิดของคนเราในยุค ป, ปัจจุบันก็เหมือนเหมือนกัน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 เส็จ แ, แล้วพรเจ้าทรงแสดงสิ่งที่เรียกเวทนาบริการสุดเป็นการทรงสอนให้ดูถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งที่เราประสบเวทนาคือความสุขความทุกข์หรือว่ากลางๆที่เรากำลังสวยเนี่ยมาหาข้อยุติไม่ได้ว่าเวทนาอะไรมันจะเกิดแต่ในขณะที่สุขเวทนามันเกิดทุกข์มันก็ไม่มี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 สี่คณะค่ะเองก็ไม่เบานะฮะคือฟังแล้วก็บรรลุมรคนได้เป็นพระโสดาบันตอนเย็นพระรพุทธเจ้าก็เสด็จตรงจากพูเขาขึ้นุกุลระษาดิบุตรฟั ง, ฟ, งฟังธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงเกตีคณะคขะ น, นะฮะภาษาดิบุตรก็นั่งถวายงานพัดคิดตามไปนะ ปรากฏว่าภาษาดิบุตรบรรลุมกผลเป็นพระอาราคันตั้งแต่พระเจ้าไม่ได้เทศแก่ภาษาดิบุตรนะฮะเทศแก่ตอนทีคณขะที่ทคณขคะก็ดีขึ้นหน่อยแต่ว่าภาษาดิบุตรได้บรรลุมกผลเป็นพระหันทั้งแก่วบวชแล้วได้สิบวันเพราะช่วงตรงนี้ถ้านับจากตารัสรู้ก็ประมาณสักเ็ดเดือนนะ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 พอเป็นพระหันแล้วพอถึงวันเช่นนี้ก็อดที่จะคิดถึงไม่ได้คือมันลืมไปเมื่อเราพูดถึงพระอระหรอันต์ลักษณะอย่างนั้นมันเป็นศีลพัตปรมาตถพร ะ, ร ะ, ระหรันตะละศีลพตัตปรามาตถ์ตั้งแต่เป็นพระโสดาบันแล้วแล้วเอาไปเอาเอาสามัญสำนึกของเราว่าถ้าเราก็คงคิดอย่างนั้นนะฮนะเราคงมากัน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 มันก็รู้ว่าจะต้องอยู่ในชุดของเจ้าตุรงกสันนิบาตั้งก็มามาไกลไม่ไม่ไกลหรอกครับทั้งก็แยกย้ายกันอยู่แถบนั้นแหละคืออย่าลืมว่าพระเจ้าทรงสแสดงอาทิตตปย า, าสูตรที่ขยาศีสะแล้วก็มาทิลัติวันมาแสดงธรรมะแก่พวกพระเจ้าพิมพิสารรวมเป็นเจ็ดแสนสองหมืน่นพระเจ้าพิมพิสารก็ถวายพระเวรุวัน เวรวันนั้นไม่ได้สร้างนะฮะถาวายเท่าที่มันเป็นเนี่ยเท่าที่มันอยู่พระเจ้าก็ประทับอยู่บริเวณนั้นแล้วสารีบุตรพระโมกคลานะก็เข้าเฝ้าพระโมคคัลานะก็ไปแยกไปอยู่ที่กาวามุตคามพระเจ้าก็ตามไปสอนโมกคลานะบระรุมรรคผลได้บทเจ็ดวันพอสิบห้าวันก็หล ส, สารีบุตรก็แสดงว่าเวลามันก็ต่อๆกันไปอนะฮะต่อกันไปหลังจากที่ พระเจ้าพิมิสารได้ทำบุญให้แก่พวกญาติที่เป็นเปรตแล้วราะการแยกยายของพระหันทั้งหลายเหล่านั้นก็อยู่บริเวณนั้นบริเวณกรุงราชคฤห์นั่นแหละไม่ได้มาจากต่างแดนอะไรหรอกเพราะว่าพันสองรอห้าสิบรูปก็คือหนึ่งพันก็คือพวกปุราณในชนิดสองอห้าสิบก็คือพวกภาษาดิบุตรเป็นพระอราหันต์ชุดใหม่ ไม่ใช่ชุดแรกชุดแรกที่90้าสิบรูปนะ่ะส่งไปเผ ย, ยแผ่ศาสนาไปแล้วม่ใช่เก้าสิบรูปนะฮะพระหันหกสิบรูปพระอนาคามี30สิบรูปที่ส่งไปเผ ย, ยแผ่ศาสนานี่ก็เป็นชุดใหมย่ยังไม่ได้ท่งไปไหนพระโอวาทในคราวนั้นจึงเป็นการโอวาทเพื่อวางหลักให้ไปเผ ย, ยแผ่ศาสนา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 พระเจ้าทรงแสดงอวารปาติโมกซึ่งเป็นคําสอนหลักสั้นๆแต่เวลาที่เรียงในตอนหลังนในพระจัยบิดกไม่น่าเชื่อแล้วรัไปอยู่ในวินัยบิดกพระสูตรสำคัญอยู่ในวินัยบิดกนะธรรมจากอันติอันอนัดทำไอเนี่ยอนุบุพีคาถาแล้วก็อวารปาติโมกห้าเรื่องที่เรามาพูดบ่อยๆเนี่ยจริงๆอยู่ในวินัยบิดกจะเรื่องแปลกไม่รู้ท่านเรียงมาอย่างไงเหมือนกัน มันน um pues ่าจะอยู teachers, 8, nah ่ในในพระสูตรนะฮะแต่เก wow, ิดมาอยู่ในปีในปิฎกเพราะท่านตอนตอนต้นๆเนี่ยดูแล้วท่านเรียงแนวประวัติศาสตร์พระไตรปิฎกเนี่ยเรียงแนวประวัติศาสตร์ในความันลำดับการเรียงตามลำดับการอะไรเกิดก่อนเกิดหลังก็ว่าไว้เรียงเรียงเรีงไปพวกนี้เลยไปอยู่ในพระสูตรในพระวินัยปิฎกทีนี้โอวาทปฏดีโมกเนี่ย บางคนก็อ่านโอวาตนะฮะบางคนก็อ่านโอวาคือ <c ười> ภาษาบาลีเนี่ยมันมีหลักว่าพยัญชนะทุกตัวที่ไม่มีจุดไม่มีสระอื่นให้อ่านเป็นสระอ่าโอวาตปาติมโมกนั้นมั น, ม, นมันไม่ได้จุดไ ม, ไม่ได้จุดที่อทอตาหารเพราะนั้นจึงอ่านว่าโอวาตปาติมโมกเป็นการสอนเรานึกถึงผู้ฟัง นึกถึงผู้ฟังว่าที่จริงไม่ใช่สอนเพื่อบรรลุมรควนอะไรเพราะท่านบรรลุแล้วท่านเป็นพระอราหารันต์แนนะฮะที่นี่แนวการเรียนการสอนพระสูตรที่พระเจ้าทรงแสด ง, งเนี่ยที่เคยบอกไว้นะฮะว่ากลุ่มเรียนเนี่ยกลุ่มเป้าหมายเนี่ยหรือมันจะเรียนอยู่สามแนว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 ก็เราจะเห็นว่าบางทีพระษฎรอาจารย์ท่านพูดเนี่ยท่านก็เพลินเพลินเน่ยนะเราเห็นว่ันท่านตรงนี้มันท่านเพลินไปเฉยๆแล้ก็เหมือนกับเราเขียนหนังสือเราทํางานน ะ, นะฮะบางทีตรงนี้ก็ขี้เกียจเขียนก็นั่งบอกให้เนตจดนะ้ตัวเองไม่ได้เขียนเองไลนะฮะอาจจะหลวงพ่อง่วงๆอยู่ก็ให้เนทจะเขียนให้เราเห็นว่ามันไม่ค่อยเรียบร้อยตรงเนี้ยอ่านแล้วดูแล้วมันไม่ค่อยเรียบร้อย บางทีท่านท่านลืมนึกถึงถึงถึงในแง่ข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์ก็มีแต่ว่าอันนี้ตรงนี้เป็นเป็นพระไตรปิฎกนะเราจะพบในอันตถ า, านี่เยอะที่ท่านลืมอะไอ้ข้อเท็จจริงในแง่ประวัติศาสตร์เป็นเป็นเป็ น, ปนไปไม่ได้ฮเช่นท่านบอกวัานางวิสาขามีลูกหลานเหรนห้อมล้อม ต, ต, ะ ต, ะตะลาดกี่พันอนะยี่สิบคูณยี่สิบไปเรื่อยๆนะฮะเป็นหมื่นกว่านะ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 พระเจ้ามีพระชนอยู่แค่สี่สิบ้าปีนั่นเองเอ่ะเป็นพระพุทธเจ้าอยู่อยู่มาได้ยังไงนาวิสาขาอายุตั้งร้อยี่สิแล้วพระพุทธเจ้ายังไม่นิาพานได้ยังไงเราเห็นว่าอายุมันห่างกันลิบเลยคือถ้าร้อยปีมันต้องหลังจากพระเจ้านิาพานไปแล้วนะเอามาบวกกันดูก็ได้นะฮะบุไม่รู้ท่านบวกเลขยังไงเหมือนกันเนี่ยร้อยี่สิปีเนี่ยก็แสดงว่านาวิสาขาอยู่มาร่วมร่มสังฆทานครั้งที่เนึ่ง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 เขาเรียกรัฐที่จะระวักโลกายาตานี่คือวัตถุนิยมพวกง่ายพวกวัตถุนิยมัมันจะปลนปืนตัวเองในด้านกา ม, มคุณแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทรมานตัวเองถือว่าเพื่อต้องการให้จิตอิสระจากจากกรงขังคือร่างกายจิต จิตหรืออัตตาถูกขังอยู่ในกรงคือร่างกายเขาก็ทรมานร่างกายอย่างที่พระเจ้าทำทรมานมาเยอะนะฮะนั่นคือตะบะบวาเป็นตะบะเอามือมากมกันอยู่เงี้ตลอดจนเล็บงอกทะลกตรงนี้ยืนขาเดียวจนขาขระเน่งรีบห้อยหัวลงอะไรแต่อะไรก็ทุกวันยังมีอยู่เยอะๆนั่นในอินเดียเนี่ยขึ้นไปแถวฤษีเกตอะไรเห็นจะเกือนไปหมดเลยนั่นคือตะบะเราจะเห็นว่ามันใช้การทรมานตัวเอง แต่พระเจ้าท่านไม่ถือเป็นท่าะพระเจ้าตีตั้งแต่วันแรกกันเทศแรกเลยทเวเมฟิกเวเลยทุกก่อนวิศูตทั้งหลายทองทางสองประการไม่ควรดําเนินนะคือการทรมานตัวกับการหมกมุ่นอยู่ในกรรมทั้งหลายเนี่ยแหละทั้งคู่นะฮะการหมกมุ่นอยู่ในกรรมเนี่ยจริงมันคือเดินไม่ถึงอัตกิลามระานโยคมันคือเลยไปมันก็คือไม่ถึงทั้งทั้งสองฝ่ายนะฮะ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 จึงทรงแสดงว่าขันติเป็นเป็นบรมตะบะนะฮะคือสุดยอดของตะบะทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกขันติเราเราจึงต้องใช้ทุกเรื่องพระอาจ์เองก็ต้องใช้ขันติแม้จะเป็นอัตโนมัตินะฮะที่จริงก็ท่านมันมาโดยอัตโนมัติพระอาราหันเนี่ยขันติท่านมาโดยอัตโนมัติแต่เวลาสอนพระเจ้าก็สอนน ะ, ะนะเช่นพระเจ้าถูกนางมาคันยาจ้างคนด่าที่เมืองโกสมัมพีก็ทรงสอนเรื่องขันติ อานนร์บอกให้หนีพระเจ้ารับสั่งถามจะหนีไปไหนอานนร์บอกไปเมือง น, นั้นเมือง น, นี้เอาแล้วถ้าก็ด่าอีกทำไงก็นหนีต่อไปพระเจ้าพง ไ, ไม่จะเมตอะอ น, นัสไม่จะเมตอะเราในเหมือนก็ช้างสืดจะเข้าสู่สงครามการอดกลั้นต่อสัพอาวุธทั้งหลายที่แทงมาจากที่ทั้งสี่นะั้นเป็นภารกิจของช้างที่จะเข้าสู่สงคราม เพราะเมื่อทำทํางานในอย่างนี้มันต้องอดกลั้นอดทนอดท่อยคําของคนทุศีนได้คือจะไปหวังว่าเราทําดีอะไรแล้วคนทุกคนจะชอบบางคนทุศีนมันไ ม, ไม่ชอบไม่ชอบความดีเป็นต่งเนี่ยพวกนี้มันรังเกียจธรรมะเห็นไหมฮะว่าจริงๆริงนี่ท่านเกิดโดยอัตโนมัติอัตโนมัติยังไงอย่างที่เคยบอกว่ามันมันเหมือนกับ น, น้ําบึงมหาสารนี่มันมีน้ําใสสะอาดเราเทสองของสกปรกโครมเดียวนะฮะ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 ไปไปเพิ่มกิเลสนะ่ก็ไม่มีดที่ที่ที่ท่านอธิบายพระหานว่าไม่ทำบาปแม้จะในที่ลับไรจากกิเลสหักกรรมของทั้งสาระจักได้นะฮะเป็นผู้ควรไว้ควรวิชาอนะไรคุณลักษณะของพระหรันแต่ว่าความเชื่อในยุคนั้นคือการไปอยู่รวมกับปรมาตมัน การเป็นบริวารของเทพเจ้าอยู่ร่วมกับเทพเจ้าหรืออะไรเนี่ยฮะตลอดถึงพวกฌานพวกอะไรเนี่ยเขถือนิพพานตอนนั้นนะคนสมัยนั้นตั้งแต่ปฐมฌานไปนะฮะก็ถือว่า น, นิพพานแล้วไปเรื่อยไ ป, ไปนับไปเรื่อยไพระเจ้าทรงสแสดงนิพพานว่าเป็นบรมมธรรมไม่ใช่ไปใช่ไปเกิดอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ไปอยู่อย่างนั้นแต่ว่าสภาวะของนิพพานหรือสิ่งที่เรียกว่านิพพานเนี่ย ตัวภาษาเป็นเป็นบัญญัติแต่ตัวสภาวะเนี่ยมันสัมผัสนะฮะกรรมมงคลต้องสัมผัสเอายิ่งอธิบายก็ยิง่งยุ่งเมื่อคืนก็ฟังอะไรพระนุ่มมันเสียวแล้ว แ, แกแกอธิบายอ้ยอธิบายอะไรธรรมกายของแกแกเห็นเหมือนกับลุงพ่อสดก็บอกแกเห็นหลวพูดได้ยังไงอู้พูดอย่างาานี้บทภาษามัรฑะเนี่ยเบอกชื่อบทภาษามัณ คือตัวการสำคัญเนี่ยนะฮะนิพานเราเราดูนิพานอ่อนๆกันนะไอ้นิพานจริงๆนี่เราก็ยังไม่ถึงนิพานอ่อนๆที่เราดับเราดับกิเลสได้ในขณะนั้นๆนันิที่ท่านเรียกว่าสันธิติกังนิพานังคือนิพานการดับที่เราเห็นได้โดยใจเราเอง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 แล้นิพานอ่อนเองมัจะเป็นอย่างนั้นอาการมันจะเป็นอย่างนั ah ้นแต่บางทีน ah ิพานแล้ว ah มันปลนปื ah ้อ ah ตัวเองนะไม่ใช่นิพานนะนะไม่ใช่นิพานถ้าปลนปื้อตัวเองไม่ใช่นิพานมันเป็นกามนั่เป็นกามไม่ใช่นิพานประการต่อไปเป็นการแสดงบุคคลระดับอุดมการทรงใช้คําว่าบรรปชิตหรือสามะณะ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 จึงทรงสแสดงลักษณะไงนาฮิปปะจิโตปารูปะคาติผู้ฆ่าสัตว์อื่นไม่ชื่อวบรันรมชิตงดเว้นนั่นนะนะเห็นหมคงดเว้นระดับศีลระดับศีลนั่ น, นงดเว้นไม่ฆ่าถ้ายังฆ่าก็ยังเป็นบรันรมิชิตไม่ได้หมายความยังไงหมายความว่ายังดับกิเลสไม่ได้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 อกโกทังเอาหญิงสันจะขันตินจะวิโรธนางเห็นนะฮะไม่ได้พูดระดับธรรมะพูดระดับศีลก่อนอหญิงสาคือไม่เบียดเบียนอโกทะคือไม่โกรธไม่เบียดเบียนต่อไปคืออะไรคือกรุณาไม่โกรธต่อไปคืออะไรคือเมตตาแต่ว่าเ ร, เริ่มเริ่มเริ่มดีนะฮะเริ่มดีมันเริ่มจากงดเว้นบรรพชิตก็งดเว้นจากการ ค่านะสมณะก็คือไม่แสดงการเบียดเปียนมันมันต่อกันไปคือเรางดเว้นจนปกติกายกายเย็นวาจาเย็นใจเย็นถ้าญาติโยมก็เรียกว่าถึงใจบวชที่ใจเวเ น, นียมาตือหลักอย่างนะพระนวกะเวลาเวลาสึกเนี่ยกกเราขอแก่บวชใจ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 สัญสารวัฏเห็นไหมนั่นคือบัญญัติคือส ม, มณนคือนิพพานคือขันตินั่นเองออกมาเป็นรูปธรรมะในตัวคนคือไม่เบียดเบียนทีนี้ทํายังไงจึงจะไม่เบียดเบียนสัญญะคือสํารวมระวังสัมรวมระวังไ ม, วมว่เกี่ยวกับคนกับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องหรืคนกับทรัพย์สินของคนกู้ครองคนก็สํารวมระวังแล้วก็ทํายังไงสํารวมรวังได้ต้องฝึกสัญญมะธรรมะต้องฝึก ฝึกบางทีบางฝึกมาอยู่ก็ต้องข่มใจเอาข่มใจห้ามใจเอาเรไม่ได้เป็นพระอระหันต์นี่นะที่จะอัตโนมัติได้ยังไงก็ทําอย่างเนี้เพราะาภาพลักษ์ภาพรวมก็คือการไม่เป็นฆาตศึกการปฏิบัติที่เราเรียกว่าสุ ป, ปฏิปันโนประกอบตสาวกสัโฆนะอย่าลืมว่าเป็นข้อปฏิบัติร่วมกันไม่ใช่เฉพาะพระนะไม่ใช่เฉพาะพระเพียงแต่ว่าที่เรากล่าวนั้นเรากล่าวถึงพระริยบุคคล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 การต่อไปนั่นคือหลักการที่จะเข้าสู่อุดมการในอร่อวาทปฏิบปทาจะเห็นว่าจะโยงถึงกันตลอดโยงถึงกันตลอดต่อไปคือหลักการที่จะเข้าสู่อุดมการเป็นการปฏิบัติธรรมะโดยอุดมการเป็นบุค เ, เป็นผลอุดมการเป็นบุคคลอุดมการอุดมการของคนในพระพุทธศาสนาตรงนี้เราจะเห็นว่าเน้นที่คำว่าอาราหังสะท้อนเอกลักษณ์ของอาราหังออกมา คือว่าไกลจากกิเลสไม่ทําอะไรไปตามหน้าของกิเลสก็คําสั้นๆง่ายๆนะฮะแต่ว่าปฏิบัติเกือบตายนะนะยังยังยั ง, ยงชาติเด่งยังไม่จบกี่ชาติยังไม่จบเป็นคําพูดที่ที่ที่ไพเราะมากอนะฮะไปเราะมากใช้คำสามคำง่ายๆ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 สมบูรจริงก็คือพระอาหารหันต์เองนะครสะจิตะประโยชน์ประดังทำจิตได้ผ่องเผพ้วเรียว่าขาวรอบด้านนะฮะประโยชน์ประณะเนี่ยคือขาวรอบด้านขาวหมดขาวหมดจริงๆก็เป็นพระอรหันต์เพราะงั้นที่ที่ทอามาเคยบอกว่าสำนวนพระสูตรเนี่ยท่านใช้คำว่าพระเจ้าทรงแสดงธรรมมีพระอาหารหันต์เป็นยอดไม่รู้ว่าเอาพุทธสาวกเดินตามรอยพระอาหารหันต์ไปแล้วกันถึงไหนก็ถึง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 ที่จริงคืออาริมัคไปองแปดแล้วที่จริงคือกุศลธรรมตัวเหตุทั้งหมดกุศลธรรมตัวเหตุทั้งหมดเมื่อคืนนี่ลูกศิษย์ก็ไปปรึกษาก็าจะเทศตอกลางคืนเนะีย่ยจะถามอาธิบายยังไงกว่านั่งอธิบายก็ฟังบอกนี่คุณจะประเด็นแง่ายคือว่าตอนทําวัดอ่ะทาว่ามานั่งคิดประชุไมไปเรื่อย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 อยากได้นั่นอยากได้นี่อยากได้โนทนอยากได้ป่าอยากได้ต้นไม้อยากมั่วมั่วหมดเลยเดี๋ยวนะจะเกิดราคาเกิดถามมันทำไมมันโง่มันมั น, ม, นมันเกิดโมหะทีนี้พอเราพัฒนาปัญญาขึ้นไปเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะเกิดรู้เห็นตามความจริงกับคนเนี่ยเราจะเกิดเมตตาริงมีชีวิตเราจะเกิดเมตตาหมายความไงมันสงบโทสะ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 จะไปถึงพูดไปก็พูดได้สบายมากเท่าไหร่ก็ได้นั่นคือมองเป็นภาพรวมง่ายๆนะมองๆๆ ง, ง, ง่ายๆโดยจับประเด็นของพระพุทธคุณนั่นแหละถิงจ็จับจั บ, จ, บจับความคิดจต่พระพุทธคุณประการต่อไปนั้นเราจะมองสองแนวตรงนี้ให้ลองสังเกตว่าใช่เอตังพุทธานศสาสนานี่เป็นคําสอนของพุทธะทั้งหลาย คำว่าพุทธะไม่ใช้เอกพจน์นะฮะใช้หู่พจน์หมายความว่าไม่ใช่พระองค์องค์เดียวหรอกสอนนะพุทธะทั้งหลายท่านสอนอย่างเงี้ยนั่นคือบริสุทธิ์ที่คุณเห็นชัดว่าบริสุทธิ์ที่คุณปัญญาคุณรู้ว่าพุทธะอื่นก็สอนอย่างนี้พระองค์เองก็สอนอย่างนี้แล้วไม่ได้ปกปิดคุณความดีใครนะท่านสอนมาพระพุทธเจ า, กายกย่องเขาว่าพุทธะทั้งหลายท่านสอนอย่างนี้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 เพราะว่าในสังคมที่เราที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยนะเราเนี่ยเป็นฐานเราจะต้องต้องวากเรียกเป็นหลักเป็นฐานคือวางตัวเองให้เป็นฐานให้ได้แต่เราเสียฐานแล้วมันเสียในวันก่อนนี่มีมีคนเข้ามาบอกว่าอะไรก็มีการขัดแย้งมาบอกว่าอะไรก็ตาไปนะการ การต่อสู้การถูกเชียงการจะเอาอะไรกันเนี่ยมันสําคัญว่าเราต้องมีฐานดีถ้าเราฐานเราไม่ดีเราทําอะไรไม่ได้หรอกแม้แต่จะยืนจะหยิบของถ้าที่เรายืนไม่ดีเราก็หกเขมรลงมาเพราะฐานเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่พระเจ้าแสดงเป็นรูปของการต่อสู้โดยยกตัว อ, อย่างทหารเขาเรียกว่าโยธาชีโ ว, วลักษณะทะหารเนี่ย มันจะหนึ่งต้องมีเชยภูมิเหนือกว่าเชยภูมิเชยภูมิเหนือกว่าค่าศึกนะฮะจะทําให้คนน้อยเอาชนะคนมากได้เหมือนกับกรมระะาชวังบวรอุทหามาหมุนที่อะไรเมืองการ น, น, นะฮะในรบกับพมา่าพม่าเนื้อวัตถารเดินทางมาตั้งคืนนะฮะมากก็ปอดแทกเดินทหารหมุนมาขึ้นนี่ก็สร้งางเชยภูมิให้เหนือกว่า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 แล้วก็ยิงได้ไกลหมายความว่ามองปัญหาที่ยังไม่เกิดนะเหมือนกำลับบงเกิดเช่นเราชราตโมมหจิจรังนาติโตที่ยิงยิงได้ไกลเราไม่ถึงแก่งเงาเหงือกอะไรแล้วนะแต่เราก็เออเรามีความแก่เป็นธรรมดาเจ็บเป็นธรรมดาตายเป็นธรรมดาพระพร่าเป็นธรรมดาถึงการยิงได้ไกลและยิงได้ไวก็คือรู้เหตุรู้ผลเร็วจนถึงรู้ยาศาสตร์ใจเร็วนะแล้วทําลายขุมกำลังฆ่าศึดได้ก็คือทําลายอาวิชชาได้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 รัฐบาลกับพรรคการเมืองด้วยการรัฐบาลรัตต้อนรอะไรเนี่ยอย่า ก, กล่าวร้ายจะทำลายถ้าไปเอาตรงนี้แล้วก็เสร็จกล่าวร้ายเนี่ยก็เสร็จเนี่ยนะฮะกล่าวร้ายพูดกันพูดกันแล้วก็ไปขัดแย้งกันหรือ ว, ว่าด่า ว, ว่ากันเนี่ยก็เสร็จอะทรงใช้คาว่าอย่า ก, กล่าวร้ายอนุปวาโดอย่า ก, กล่าวร้าย แล้วก็อย่าทำลายอนุปกาตโตอย่าฆ่านะจริงจริงอนุปกาโตเขาพูดอยากฆ่ า, าอย่าฆ่าอย่าทำลายเพราะการเทศการสอนในในแนวของจะสร้างมนุษยสัมพันธ์กับคนอื่นต้องเว้นตรงนี้เว้นเว้นเด็ดขาดเลเว้นเด็ดขาดเล ย, นะเเเลยแล้วก็ในส่วนของตัวเองคือฐาน สำมรวมระวังในหลักปฏิบัติจะเป็นศีลในชั้นศีล น, นะฮะผู้ง่ายในชั้นศีลแล้วก็รู้จักประมาณในการในการรับประทานอาหารไม่ตกเป็นาธาตุของอาหารมากเกินไปและจิตใจนั้นนมน้องก็หาสถานที่สงัดเงียบ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 การาการผู้ใหญ่หลายหลท่านเนาคุยกันสองทุน่นะคือก็ลังวางแผนจะจะใช้สื่อทางวิทยุเนี่ยกระจายเสียงออกสวดมนต์ตอนเช้ากระคุมหมดทั่วประเทศเลยใช้หอกระจายข่าวแลวใช้ไทยคมไท่คมพันสองร้อยจานเนี่ยก็จะวางไงนะฮะมองประสานเรียกเชิญกสชอะไรอะไรมาเหมือนกันคือทำยังไงว่าให้คนไทยตื่นมาถึงได้ยินเสียงสวดมนต์ อิสลามเนี่ยเขาลำหมาดวันหนึ่งตั้งห้าครั้งไง น, นะแล้วสวดมนต์ดังหึมไปหมดไลยออกเครื่องขยายเสียงเนี่ยแล้วถ้าก็เราออกด้วยเนะฮะเบนนี้ ก, กาลังทํารายการโทรทัศน์ไม่ใช่ไม่รู้ญาติโยมทั้งหลายตื่นมาดูบ้างเปล่าแต่คนทําเองก็ไม่เคยตื่นมาดูมันดึกไปแต่ตอนตีห้าครึ่งไงนะฮะตีห้าครึ่งตอนนี้เราทําเมื่อวันวันเช้านี่ก่อน แต่กำลังจะไปที่วันจันทร์อันคารวันพุธตอนนี้เราทําที่พฤหัสกับเสาร์มันก็ติดเรื่องเงินเลยก็เชิญผู้ใหญ่มาหลายท่านเนี่ยช่วยหาหน่อยอรายการรายการคราวหนึ่งเนี่ยโทรทัศน์เป็นเล่นมันไม่ใช่เบานะฮะตามเป็นเทปส่งไปให้เขานี่สองหมืนห้างวดประหยัดนะฮะทําประหยัดประหยัดส5 0หมื่นห้าแต่ว่า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 ความคิดตักบาตรนั่นคือการทาจิตให้สงบมันคิดวันตั้งแต่ก่อนนอนจะตื่นขึ้นลุกขึ้นหุงข้าวตักบาตรเห็นไหมใจมันหลับไปด้วยกุศลตื่นปั๊บจิตตัวบาตแรกที่ตื่นเนี่ยคือลุกขึ้นตักบาตรแล้วจากนั้นมาใจมันเป็นกุศลทั้งหลดจ ะ, จ ะ, จ, ะจะตักข้าวสารจะทำอะไรใัใจมันอยู่ที่การตักบาตรหมดระยะเวลาตั้งไม่น้อยกว่าชั่วโมงครึ่ง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 ฟังฟังใจกำหนดตามไปตรวจตามไปใจสงบเตรียมใจต้อนรับอรุณใหม่รักษาใจในะตอนเช้าให้ดีนะฮะแล้ววันนั้นจะอารมณ์ดีแต่ลองดูนะฮะถ้าไปทะเลาะ ก, กันตอนเช้าแล้วเสร็จทั้งวันเนะี่ยรวนทั้งวันเลยเสียศูนย์ใจมันเสียศูนย์เพราะฉั้นใจต้องรักษาให้อยู่ที่ศูนย์ในะี่่ วิธีเนี้คือวางใจเห็นไหมฮะท่านบอกว่าสัมรวมในในปาติโมปาติโมเขยสังวรณ์สัมรวมในระ ป, ปาติโมรู้จักประมาณในพัตนาหานนั้นเพื่อเพื่อเพื่อเพื่ อ, อคุมใจเราล่วงใกลยเราแล้วอยู่ในที่สงัดอย่ารับอารมณ์มากเัินไปประกอบความเพียรในอธิจิตตรงเนี้ยที่เราเน้นคือต้องการความเพียรในอธิจิตให้จิตมันเดียวให้รับประสาทมันรับรับเสียง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 ถ้าเป็นนักเผยแพร่เกี่ยวข้อคนอืนสีข้อแรกเนะี่ยคือฐานที่จะรักษาตัวเราไม่จะติด ส, สีข้อหลังนะฮะปฏติมโมเกียจะสั่งว่าเราสำรวมในบทบัญญัติกลางศีลรู้จักประมาในการรับประทานอาหารแล้วก็อยู่ในที่นั่งที่นอนที่ส ง, งัดส ง, งัดเงียบแล้วก็ประกอบความเพียรในะที่จิตคุมในด้านความคิดจิตใจเราไว้คือใจสงบ มันมั น, มนบางบางทีท่านสร้างเป็นใจริษยาว่าพระจะเทศเนี่ยต้องอาบน้าอาบท่าก่อนนะฮะต้องอาบน้าอาบท่าทําตัวให้สะอาดทําแล้วก็ทําใจให้เย็นแล้วก็อยู่เงียบๆคนเดียวนะฮะอยู่เงียบๆคนเดียวคนเทศปกติเขาจะไม่เคยชอบคุยก่อนเทศนะฮะก็จะไม่ชอบคุยจะทําทใจให้เขาสงบเพื่อมันพร้อมเพื่อพร้อมที่จะเทศ เนื่องจากอะไรเนื่องจากถ้าใจเราฟุ้เนี่ยใจเราฟุ้งเราก็มีปัญหาแต่อย่าลืมว่าธรรมะตรงนี้สี่ข้อทั้งหมดเนี่ยนะฮะเมื่อปฏิบัติแล้วก็คือการละ บ, บาปนะฮะเกิดการละ บ, บาปการบำเพ็ญบุญการนํำจิตได้ฟ่องแผลการไม่กล่าวร้ายการไม่ทําลายก็คือลักษณะของบรรพชิตสมามะณะที่กล่าวไว้ในตอนต้นเห็นไนะการไม่กล่าวร้ายการไม่ทําลายนะ่ะคือการไม่ฆ่าการไม่เบียดเบียนนั่นเอง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 ประหานท่านไปแล้วสักร้อยกิโลเราก็ไปทางเดียวกับท่านก็มั่นใจพอสมควรล้วทาให้เข้าใกล้แล้วก็เราสะท้อนเอกลักษณ์สั ญ, ญลักษณ์ออกมาได้ก็คือไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนดูในชีวิตประจำวันเป็นไงดูในชีวิตประจำวันคือเกี่ยวข้องใครเราก็ไม่กล่าวร้ายไม่ทำลายใครเรียกว่าไม่เป็นฆ่าสึกกับใคร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 โดยสัมรวมในบทบัญญัติของศีลนั่นก็คือการไม่ทำบาปนั่นคือการทำบุญนั่นคือจิตใจเราที่ป่องใส่ศีนนะสมคัวันนี้ก็ขอยุติไว้ได้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ ง, งอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านถือ